ทระธรรมเทศนาแผ่นที่10 9าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หพฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเจริญสมถะจะต้องต่อด้วยวิปัสสนา ใจฟังมีอะไรหลวงพ่อจะพูดกล่าวอะไรให้ฟัง <c oughs> วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างวัดป่าพิชัยพัฒนา พัฒนามงคลและร่วมทาบุญรบรอบสามปีในวันก่อสร้างในวันก่อตั้งวัดพร้อมทั้งร่วมถวายเสนาสนะวัดป่าพิชัยพัฒนามงคลตมบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในวันที่เจ็ด พุทธภาคมพุทธศักราช2560คือวันพรุ่งนี้วันนี้พวกเราเริ่มงานขออนุโมทบาจารย์พระสงฆ์มาเจริญเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็คณะสัทธาญาิโยมก็ได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจและก็วันพรุ่งนี้พวกเราจะได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเพื่ อ, อสลาหลังนี้ละ ศาลาหลังนี้เป็นศาลาอเนกประสงค์คล้ายๆว่าเป็นที่ชั้นพัทหารของพระสงฆ์แล้วก็มีความจำเป็นขอมาศรัทธาญาติโยมมาพักอนอนก็ได้แล้วก็จะมีการถ้าหากว่ามีการบวชพระบวชนาคกระถินกระทำสังฆกรรมที่นี่ได้ทุกอย่างเหมือนกับ เหมือนกับโบสถ์เหมือนกับโบสถ์ที่พวกเราเห็นอยู่ในวัดต่างๆอันนี้เที่ยวเป็นสลาในประสงค์เพราะนั้นพวกเราได้วันพุงนี้จะได้มาร่วมกันอทอดผ้าป่ า, เ, าเพื่อหาทุนนั่นแหละสลาหลังนี้ก็เสร็จแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าเงินมันยังไม่เสร็จนั้นหลบหลับคณะสัตธาญาติโยม เ, เงินมันยังไม่เสร็จมันยังเป็นหนี้อยู่ แต่ว่าสลาได้เสร็จแล้วเพรา ะ, ะนั้นวันพุ่งนี้แหละพวกเราจะร่วมมารวมกันจะได้มาปดนี่สีนให้เป็นไทยให้วัดของเราวัดพิชัยของเราเป็นไทยนะเดี๋ยยังยังเป็นนี่อยู่นะเพราะฉะนั้นวันพุ่งนี้แหละหลวงพ่อเองก็จะมาร่วมมารวมกันกับคณะทถาญาติโยมลูกหลานทุกคนเพื่อ พอดผ้าป่าสามคัคนคะีและก็พร้อมกันวันนี้หลวงพ่อได้ขึ้นมาเป็นองค์แสดงธรรมให้กับคณะัตธาญาติโยมลูกหลานฟังนะเพราะว่าพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการฟังในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธ ะ, ะท่านบอกว่าผู้ฟัง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 และท่านทางย้ำปิดเป็นพ เ, เป็นพระบาลีว่าสุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนาบยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบ จิตใจให้เน่งซะก่อน เ, อเมื่อจิตใจเน่งจิตใจสงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนำมากันกรองไตรตรองเหตุและผลก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคณะสัทธทาย ญ, ญาติโจมลูกหลานท่านจานึงเน้นเป็นพุทธภาสีว่า ส, สุสังลัสเตปัญญ ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือดับธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะต้องอาศัยการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังเห็นไหมในครั้งพุท ธ, ธกาลอย่างไม่กี่วันข้างหน้าพระพุทธองค์ได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพพอได้ตัดสู้แล้วพระองค์ก็ได้ไปโปรดปัญเวคีทั้งห้าไปแสดงธรรม แสดงทรมาจากกระกประวัฒนาสูตรให้ปัญจวัคคีทั้ง5้าฟังปัญจวัคคีทั้ง5ได้ฟังก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละอันนี้การสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังถึงพวกเราท่านทั้งหลายาจะไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเหมือนครั้งพุทธกาลแต่อย่างน้อยก็ยังทําความเข้าใจ เพราะว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ฟังครั้งนี้บ้างครั้งหน้าบ้างครั้งไหนไหนบ้างหลายครั้งต่อหลายหนก็เข้าใจได้นี่แหละสรุปแล้วก็คือการอาศัยการได้ยินได้ฟังวันนั้นวันนี้วันหนึ่งที่หลวงก็จะหยิบยกพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะพอหว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมมขัน มากมายสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านจะจิบยกขึ้นมาแสดงให้กับคณะสัตวทายญาติโยมได้ยินได้ฟังบางทีท่านก็ยกเรื่องทานบ้างเรื่องศีลคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันคือศีลห้าศีลุบ ม, มสถศีลพระอันนี้คือกฎระเบียบคื อ, คอทานก็คือการเสียสละแล้วก็เรื่องภาวนาภาวนาคือทาจิตใจให้สบบจะทำยังไง ใจของเราจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิจิตใจของเราถ้าไม่ได้ฝึกฝนจิตใจของเราจะมันสัมปยุตไปด้วยกิเลสมันจะไปในทางมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจะมากกว่าเพราะนั้นพวกเราจะทํำยังไงใจของเราจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราก็ต้องฝึกฝนสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยิตได้ฟังจากครูบาอาจารย์อีกเหมือนกัน เพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่จะมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายก็มีหลายองค์หลายระดับที่จะมาชี้แจงให้กับพวกเราทั้งหลายได้ฟังแต่กับวันนี้ก็วันหนึง่งที่หลวงพ่อจะได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาชี้นำชี้แนะกับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังและต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนนะที่นี่นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <Columbus> ุท <serv> ธ <ie lang> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะโลกัสหมิงปฏิทฐาโหนติปานิรันติ ขยะวยธรรมมาสังขาราอปมาเดนะสัมปาเดธาติติวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นแล้วก็วันนี้เป็นวันที่หกพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแล้วก็ หลวงพ่อเองขอย้ํากล่าวเตือนตั้งแต่บัดนี้วันนี้แหละเพราะไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้เป็นวันที่หกแล้วก็วันที่10เป็นวันวิสาขบูชาพวกเราคณะพพุทธศาสนากชนทุกหมู่ทุกเหล่ า, าควรจะใส่ใจสนใจเพราะเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตด แล้วก็ตัดสรู้แล้วก็ปรินิพานคือตายคือในวันเดียวกันเียวถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ให้ความสำคัญวันเหล่านั้นก็ผ่านไปแต่ถ้าว่าพวกเราพุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญวันนั้นก็สำคัญเป็นวันสำคัญยิ่งที่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บติขึ้นในโลกประโซ่แล้วก็ได้ตดรัสรู้ธรรมที่โครนต้นโพและก็บปรินิพานคือดับขันปรินิพานนี่แหละอันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวะะัทนา้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้ก็เป็นวันที่6วันที่สิวันที่สก็ใช่และเป็นวันวิสาขาบูชา เพราะวันวันนั้นเราจะทํำยังไงแต่ถ้าว่าพวกเราไปสู่วัดว า, าสนาไปอยากมาวัดภูบาจการพระสงฆ์ท่านก็มีการไหว้พระสวดมนต์บางวัดก็จเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็เวียนพระทักศิลรอบศาลารอบพระเจดีย์ด้วยความเคารพศักกิ์สแสดงออกซึ่งความศักกิ์สในวันสําคัญแต่ว่าพวกเรา มีภาระโุระติดโทระหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ไปสู่วัดไม่ได้วันเช่นนั้นวันวิสาขาชาถึงเราจะอยู่ในบ้านในเรือนของเราเราก็เข้าไปในห้องพระและกระกาบไหวพระพุทธปฏิมาในเมื่อการไหวเสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเออข้าพเจ้าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งออในทางพระพุทธศาสนาคือสยอม พระพุทธไตรเจ้าอุบัติขึ้นในโลกข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธไเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็ไหว้พระอรหังสวัสโตสุปฏิปัโนนาโมตัดสัจจากนั้นเราก็สมาทานศีลข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าในวันนี้ถือว่าเป็นอาเป็นเป็นพุทธบูชาเรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชา ปฏิบัติบูชาคือเราสมาทานศีนห้าข้าพ เ, เจ้าจะงดจ ะ, จะรักษาเป็นพิเศษข้าพ เ, เจ้าจะมีจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ขโมยทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามเคารพในศิทาปีภรรยาของผู้เอนจะไปไม่โอกอกต้มตุนหลอกลวงผู้เอนแล้วก็ไม่ดื่มทุรานี่แหละเพียงแค่นี้แหละเป็น พุทธศาสนกชนเป็นการปฏิบัติบูชาถูกต้องรังของให้พวกเราทุกทุกท่านนะถือถือถือถ้าว่าเป็นวันสำคัญอย่างวันวิสาขาบูชาหรือวันมาฆาบูชาหรือวันเกิดของตนเองเป็นต้นนะแรือวันเกิดของพ่อของแม่ถ้าว่าเป็นวันเกิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใส เราไม่ได้ไปวัดไปสู่วัดวาศาสนาแล้วก็เนี่ยนะปฏิบัติบูชาเลิศประเสริฐกว่านะเอเลิศประเสริฐเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเพราะวันนี้มันใกล้วันทิ่สาธบูชาแล้วนะหลวงพ่อก็เลยบอกย้ำกล่าวเตือนให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย อ, อย่าอย่าช้าละใจอย่าลืมหลงเกินไปนะและก็วันนี้เป็นวัน ที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้นมาก็เพื่อ พ, พี่น้องประชาชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเน่แหละเป็นสถานที่บำเพ็ญคุณงามความดีเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลถ้าว่าพวกเราได้ออกทุนทรัพย์ได้สร้างศาลานี้หลังนี้ขึ้นมาศรัทธาญาติโยมพี่น้องลกหลา ต่อไปภายภาคหน้าจนกว่าศสาราหลังนี้จะพังทลายก็คงจะหลายสิบปีอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าว่าผู้ใดขึ้นมากราบมาไหว้พระหรือว่กครุงบ่ายจานที่มาทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มานั่งภาวนาอยู่ที่สาราของพวกเราจิตใจของพระก็ดีของโยมก็ดีของท่านผู้ใดก็ตามมาภาวนาอยู่ที่สาราหลังนี้จิตใจสงบ เป็นอัปปนาสมาธิหรือจิตใจเน่งหรือว่าจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมข้อใดข้อหนึ่งเป็นผู้มุ่ง ม, มุ่งมั่นในศีลในธรรมเพียงแค่นั้นล่ะบุญกุศลเกิดจากผู้เสียสละทรัพสมบัติในคราวนี้ทางนี้มากมายมหาศาลทีเดียวนะคะท่านศาลาญาติโยมพ่อหตุไรเพราะว่า เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนภรูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้มาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญคุณงามความดีที่ศาลาของพวกเราเพวกเราก่อสร้างขึ้นมาแล้วเหมือนกับเราก่อสร้างโรงแรมที่พักให้กับคนอื่นเขาไปพักเราก็เก็บเงินเราเก็บเงินจากผู้ไปพักนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าผู้ใดมาบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่ที่ศาลา ศาลาของเราเราก่อนในรับบุญรับกุศลจากผู้ที่มาบาเพ็ญบุญงามความดีอยู่ที่ศาลาของเราเพราะนั่น เ, เมื่อการทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้มันจะเป็นผ ล, ผลสืบเนื่องยาวนานทีเดียวน ะ, ะนาการทศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานนะถ้าเรามองถ้าเรามองให้ไกลน ะ, ะถ้าเรามองให้ไกลมันจะไกลลักษณะอย่า ง, งานนะั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ส, สืบเนื่อง พราะนั้นวันพวกนี้ถึงยังไงก็อย่าได้พลาดโอกาสถึงจะมากหรือน้อยกันสุดแท้แต่แต่ถึงยังไงก็จะให้หนักใจในการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าเรามีเท่าไหร่ก็ทุ่มเทเจนทําให้ตนเองเดือดร้อนก็ไม่น่าจะถูกอีกนะถ้าว่าไม่ทำชเชลยหลวงพ่อเองในฐานะพระสูงหนะ้วงพ่อกับตำหนินะตำหนพราะว่าการเกิดมาทั้งกีชีวิต เราก็ทําไปแล้วไม่เด็ดไม่เกิดร้อนเราก็ควรจะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลอนกสงฆ์ไม่มีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้แร้นแค้นกันดารไม่มีเงินคําทรัพสมบัติอาหารการบริโภค ก, ก็ขาดขา ด, ขาดแคลแคลนเพื่ออะไรเพราะอนกสงฆ์ทานไม่มีนี่แหละถ้าว่าพวกเราทําบุญทำทาน เกิดมาพบหน้าชาติหน้าอธิสงทานเนี่ยจะเกื้อกูลหนุนพวกเราหนะ้านี่แหละอย่างเมื่อวานหลวงพ่อไมาได้ขี้อวดนักนักสัตยานิยมโลกลานแต่พูดให้ฟังหลวงพ่อเองหลวงตาเองหลวงตามหาบวชท่านไปนสถานที่ใดท่านทางที่ท่า น, ท, ท, านที่สมบูรณ์ขนาดนั้นนะท่านไปที่ไหนท่านกั น, เน่เสียสละ ไปเรื่อยตามวัดวาศาสนาโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่ส่วนราชการตลอดถึงคนที่ยากจนองตาท่านก่อนเนี่ท่านไม่ได้มองข้ามเรื่องการทําทา น, ท, านท่านทั้งที่ท่านเป็นปราชุดัณฑิตนักปราชญ์ขนาดองคหลวงตาท่านก็นยังทํำอันนี้เนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององหลวงตาก็เหมือนกันควรจะเดินตามแนวแถวที่ องหลวงตาพาดำเนินแต่ก็ไม่ให้เดือดร้อนนะลวงตาก็ไม่ได้เดือดร้อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ให้ไม่ให้เดือดร้อนนะแต่ต้องทำอย่างที่หลวงพ่อวันเกิดหลวงพ่อวันที่27ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนศรัทธาแทรกโจงเข้าไปวันเกิดของหลวงพ่อกันล้นหลามนะแต่เขาบางเนี่ยศรัทธาลูกหลานก็ถาวายจะตุปัจจัยของหลวงพ่อหนะลวงพ่อก็เก็บรวบรวม ไว้แต่เมื่อวานหลวงพ่อกคบอือวันเกิดของเราผ่านไปแล้วหลวงปู่ลีปูสาราทาโลผาแดงที่เป็นลูกพี่ของหลวงพ่อเป็นรุ่นพี่ท่านก็สร้างกำลังสร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตาอยู่ก็คงจะใช้อีกเวลาหลายปีแต่หลวงพ่อเองก็ได้นำจตุปัจจัยไปถาไวายท่านเป็นรอบๆรอบๆเป็นครั้งคราว แต่ค้านี้เมื่องานวันเกิดเราผ่านไปแล้วเราก็น่าจะไปถวายองค์หลวงปู่เหมือนกันนะเนี่ยแหละเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้นําจตุปัจจัยไปถวายหลวงปู่ที่ผาแดงเป็นจํานวนเงินห้าแสนนักบุญหลานนะครับน า, าจายใจชมนะเอานโมธนานสร้างพัจจีขององค์หลวงตาของพวกเรานี่แหละหลวงพ่อเองก็ไม่เดือดร้อนพอทําไปแล้วหลวงพ่อก็ไม่เดือดร้อน สุดท้าย ญ, ญาติโยมมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ที่ตรงไหนหลวงพ่อก็ได้ทําไปนี่เหมือนกันนะที่พวกเราท่านทถลายมาเห็นศาลาหลังนี้นะมันยังไม่เสร็จนะแต่มันเสร็จแต่ศาลาแต่การการเงินที่ผู้บริษัทที่เขามาทํำยังมียังไม่เสร็จจุดนี้พวกเราก็สืบสอบดูก็ได้นะ แต่หลวงพ่อไม่อยากจะพูดในรายละเอียดเดี๋ยวก็จะหาว่าเอาเรื่องของเอหลวงพ่อเล็กมาพูดนะให้พวกเราสืบสอบดูกันแล้วกันนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อเองอยากจะพูดหรือว่าอยากจะแนะนำศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลาน เ, าเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีนะ เ, เรื่องทานหลวงพ่อพูดมากกับเรื่องทาน เ, าเป็นแนวทาง เรื่องศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีนแต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนำศรัทธาญาติโยมเรื่องภาวนาเพราะเรื่องภาวนานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาศนระัทธาญาติโยมโบรานณไวยาจกว่านเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่าเราเนื้อเยาะดูให้ดีพระพุทธศาสนาเกิดมาได้อย่างไรพระพุทธศาสนา จ, นาจุด จุดเริ่มแรกของพุทธศาสนาเกิดมาได้อย่างไรถ้าพวกเราทบทวนดูให้ดีแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงวัง อ, ออกจากกรุงกบิลพัทพอออกมาแล้วท่านก็ไปบําเพ็ญอยู่ที่ฝั่งแม่น้นานาําอโนมาณทีไปผนวชชงผนวดอยู่ที่นั่นจากนั้นพระองค์ทรงผนวดแล้วบวช จากนร้นโป้ก็ได้บําเพ็ญถึงหกปีในสถานที่ต่างๆลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกลองถูก ล, ลองผิดจนมาถึงวันเดือนหกเพนทอย่างที่ว่าที่พุทธกยาที่โคนต้นโพดวันนั้นพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึง6ปีนะท่านทําอย่างไรเราไม่ต้องพูดถึงเพราะมันยาวมีมากเหือกินท่านกบพูดมาเป็นบางประเด็น ว่าพระ อ, องค์ทรงอดพระกยอาหารถึง4ี่สิบเวันภายผอมอย่างสดๆถ้าอดไปกว่านั้นก็คงจะสวรรคตแปลว่าตายพูดง่ายๆไม่มีใครที่จะเกินกว่านั้นได้พราสูงสุด4ี่สบวันแต่พระ อ, องค์จากนั้นพระองค์กวามไม่ใช่ทางจึงได้กลับมาสวยพระกยอาหารในเมื่อสวยพระกายอาหาร สมบูรณ์มาพระองค์ก็บำเพ็ญทางด้านจิตใจทีนี้เพราะว่าบำเพ็ญพระองค์ทีแรกเข้าใจว่ากิเลสอยู่ในทางอยู่ในร่างกายนะอยู่ในร่างกายแต่ที่แท้นะพระองค์เลยบำเพ็ญทางด้านจิตใจทางจิตใจก็คือท่านนึกย้อนถึงสมัยเมื่อเป็นกุมารที่ไปแรกนาขวัญกับพระบิดาไปนั่งอยู่ที่ไปอยู่ที่โพนต้นว่า ที่สนมกํานันนาสิท ธ, ธะที่เป็นกุ ม, มารไปพักคงจดเนินตื่นนอนแต่ตื่นเชา้าเอาไปแต่เชา้าพอไปแล้วยังสลําสลือก็ปล่อยให้สิทธ ะ, ทะนอนอยู่ที่โกนต้นว่าสนมกํานันทั้งหลายแตไปแลกไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาแลกนาขวัญเปล่อยให้สิทธัะนั่งอยู่ตามลําพัง ศิทธรรท่ากันลุกขึ้นมานั่งแต่เป็นเด็กนะพอไม่เห็นใครนะเพอาพี่เลี้ยงนางนมหนีไปหมดแล้วพระองค์อยู่ตามลำพังพระองค์ขึ้นมานั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจหายใจออกจากนั้นพระไทยของพระองค์สงบนิ่งพอจิตใจสงบนิ่งเท่านั้นแหะ ท่านก็ได้รับความสุขทางด้านจิตใจอย่างมากจนเกิดอภินิหารขึ้นมาว่าร่มต้นว่าเงาแสงแดดไม่สามารถที่จะส่องถึงพระ อ, องค์ได้ร่มต้นว่าอยู่ตรงไหนแปลว่าเป็นเหมือนกับ ก, กลางมุงหลอกศณะนาอย่างนั้นนะเนี่นั้นคือครั้งแรกที่พระพุทธองค์ที่ได้นั่งภาวนาแต่ทำไม มาพิจารณาอีกทำไมพระ อ, องค์เป็นเด็กขนาดนั้นทำไมจึงจึงมีความรู้สึกนึกคิดทำได้อย่างไรในพวกเราท้าหัานนึกย้อนหลังในอดีตชาตินะอดีตการพระ อ, องค์เคยเป็นลือีชีพัยมาแล้วนมนานไม่รู้กี่ร้อยกีย่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติที่บาเพ็ญเรื่องฌานเรื่องสมาธิมากเพราะนั้นของเหล่านะั้นไม่ไม่ใช่ของแปลกพระ อ, องค์ติดพบติดชาติเป็นอุ ป, ปนิสัย นี่แหละพวกเราถึงจะภาวนาได้บงังไม่ได้บานะวว้างหลวงพ่อก็ให้ฝึกขัดไปเถอะนะมันจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปภายภาคหน้าถ้าพอพวกเพ่อรองไม่ทําเเลยไม่มีอุปนิสัยนะลูกหลานนะกันตัท้ายญาติโยมนะนี่แหละสิทธัตถะเนี่ยท่านนั่งภาวนาที่โตรตนว่าแต่อายุอย่างน้อยๆ้อยแต่ถ้านก็ไม่ได้พูดว่าอายุในช่วงนั้นพระ อ, องค์อายุเท่าไหร่จากนั้นพระ อ, องค์ก็หยุด ก็ไม่ได้ทําอะไร ต, ะต่ออีกเลยเจากนั้นกน็เมื่อพระองค์หนีออกจากเวียงวัง เ, เมื่ออายุยี่อิบเก้าปีเพราะเห็นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมะนะัมภะเห็นสี่อย่างนะที่พระพุทธเจ้าหนีออกบวชเห็นคนแก่นะใช่ เ, เห็นคนแก่นก็เป็นเรื่องสนดสังเวชใจ จะหาความสุขได้อย่างไรเมื่อคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บเ น, นออชักดินชักงอเ อ, อเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาความสุขได้ที่ไหนอยากนด้นเห็นความตายอันนี้ก็เห็นความฉรวดสังเวชแต่เห็นสัมณะเห็นสมณะคือเห็นนักบวชที่นั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ท่านนั่งขัดสมาที่นั่งหลับตาแล้วก้มหน้าเ อ, อท่านก็เอ๊ะอันนั้นเป็นใครชันชาณะ นายชันนะที่เป็นนายสารธิษฐ์ที่นั่งที่นั่งรถม้านเป็นผู้ขับรถม้านายสารชันชนะก็บอกว่าอันนั้นคือสัมมานาประเจ้าผาสัมมณะเนี่ยท่านไปนั่งอยู่ที่โกนต้นไม้นั่งคุ้นคิดในสิ่งที่ตนเองต้องการว่าต้องการเรื่องอะไรท่านก็นั่งคิดกันกลองไตรตองด้วยเหตุและผลของท่านเอง แต่ไม่รู้ว่าท่านคิดเลือกอะไรแต่ท่านคุ้นคิดหาสิ่งที่ว่าสิ่งที่ต้องการชินทัศนทาที่นั่งในรถม้าเนี่ยเออถ้าหากว่าเราออกมานั่งคุ้นคิดอย่างสมณะท่านนี้น่ะคงจะเห็นช่องทางถ้าเราอยู่ในเวียงวังเน่คงไม่มีโอกาสที่จะคิดอะไรออกได้เพราะเหตุไรเพราะว่าไม่ร่วการมาน ก, การบ้านการเมืองกัน ตลาดการเสอแสวงหาความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าว่าเรามาออกมาอยู่ตามลำพังอย่างสมณะท่านนี้นะมาคุ้นคิดอย่างนี้น่ะคงจะมีช่องทางนี่แหละคือส่วนหนึ่งจากนั้นพระองค์จึงได้นำความคิดในจุดนี้แหละพอกลับเข้ามาถึงเวียงวัง ก็ทราบว่านางพิมพายโสธราประสูตรพราหุนนะอันนี้ก็คือส่วนส่วนหนึ่งทำให้พระ อ, องค์สะดุดใจโอ้เครื่องผูกพันเกิดกับรเราแล้วพระ อ, องค์จึงนี่หาวิธีการหนีออกจากเวียงหวังในคืนนั้นจากนั้นจะได้ออกมาจากมากับนายชนะไปบวชอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีแล้วก็ไปบําเพ็ญ อยู่ในแม่น้ํามโนวาร์ทีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกทั้งหปีแต่ในช่วงนั้นพระ อ, องค์ทําอะไรบ้างก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้เหมือนกันแต่บันทึกในจุดที่ใหญ่ๆก็คือพระ อ, องค์อดพระกยายหารทั้ง4ี่สวันนี่แหละอันนี้คือชิ์ท่นทานศรีชฎาแต่ที่มาพูดยังไงพุทธศาสนาเกิ ด, ด, ด, ด, ดขึ้นมาได้อย่างไรจุดไหนเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าขึ้นมาได้อย่างไรจุดไหน นี่แหละให้ฟังทีนคือพระพุทธองค์นั่งคัจสมาธิในวันเดือนบกแผ่นตอนหัวข่ํานะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นพระองค์นายโสธิยะได้นำยาคามาผ่านหมาก็นายโสธิยะไปเกี่ยวยาคาในละแวกนั้นไปตัดยาคาเกี่ยวยาคาหาบมาเห็นศิทธัตถานั่งอยู่ตามลำพังท่านเห็น คนที่ถูกโฉกถูกชะตากันเห็นกันมีมีความเอื้อเฟือ้อเอื้ออารีต่อกันจากนั้นนายโสติยะได้นํายาขาแกะกำมือเข้าไปมอบให้สิท ธ, ธนะัตถะท่านสิทธัตถะได้ยาคาแปะกำมื อ, อพอได้ยาคาแปะกำมือแล้วพระองค์ก็หาทําเรที่นั่งก็ได้ทางทางทำเรทางทิศ ต, ตะวันออกของต้นโพจากนั้นพระองค์ก็ได้ประสาน ประสานยากขาเอาหัวเป็นคนลั้างกันแล้วก็เอาหางมาประสานกันเป็นอาสนะเป็นที่นั่งจากนั้นท่านจิตตถคือขึ้นไปนั่งบนอาสนะนะพอไปนั่งอาสนะแล้วก็ขานั่งขัดเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์ชิดถะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเจ็ดใจพอรวมเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาพระองค์น้อมล้ำลึกถึงอดีตชาติเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้นยนี่แหละเป็นบ่อเกิด เป็นบอเกิดบอ่อแรก <c oughs> ที่พวพระองค์นั่งคัศมาธิจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบจากนั้นระลึกลำลึกชาติท้นหลังได้ในหลักของพุทธศาสนาพวกเราให้สังเกตจุดนี้อีกนะหลักของพุทธศาสนาธนวัดตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอพระองค์ระลึกชาติท้นหลังได้ถ้าหากว่าพระองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียว อ, อย่างที่พวก มิจฉาทิฏฐิบางคนบอกว่าตายเกิดมาชาติเดียวตายตายแล้วศูนนี่แหละถ้าตายแล้วศูญย์พระพระ อ, องค์จะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรนี่แหละพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะจุดนี้ให้ศึกษานะอย่าพิ่งปฏิเสธอย่าพิ่งเชื่อเชื่อก็ไม่ให้เชื่อแต่ว่าเชื่อไว้ดีกว่าเพราะเราเชื่อในพระพุทธพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่โกหกแน่ เชื่อไว้ดีกว่าดีกว่าไม่เชื่อแต่ถึงยังไงให้พิสูจนดูก่อนพระพุทธองค์ทำยังไงวันที่ที่พระองค์รู้วัดตายแล้วเกิดนั้นระลึลกชาติผลหลังได้ทํำยังไงนี่แหละท่านนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทักมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญาสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญาคือความรู้ตัวในขณะนั่งคัดสมาธิไม่ให้จิตใจปุ่งฟุ้งไปทางอื่นไม่ให้คิดไปในอดีตไม่ให้คิดไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้นนี่แหละพระ อ, องค์ทำได้อย่างไงก็ทำพระ อ, องค์ระลึกย้อนถึงสมัยเมื่อเป็นกุ ม, มาร เออเป็นอันนั้นกำลังเป็นขนทางไงแต่ท่านจึงได้นั่งคัดสมาธิที่โหนต้นโพอ่จากนั้นพระองค์ก็นั่งสมาธิจิตใจสงบระลึกชาติพลันหลังได้ชาตินี้เรามาจากที่ไหนพระองค์ก็รู้ได้ว่ามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตกําลังจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นอื่นแต่พรมอรัตนาลงมาแล้วมาเกิดเทวดาและพรมอรัธนาลงมาได้มาเกิด แต่มาเกิดกับพระมารดานางสิริมหามายาพระเจ้าจุตโธธนะเป็นพระบิดาเนะี่ยนี่แหละอันนี้พระองค์ก็นึกย้อนดูโลนพอถึงเที่ยงคืนทีนี้พระองค์ก็นั่งภาวนาอีกต่อไปอีกนั่งพอถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็มองออกไปข้างนอกทีแรกมองตอนเองนะเจ้าบอมองตอนเองเขาบอกปุกเพนิวาสานุจติยานะเล็กชาติุหลังคือมองตอนเอง แต่ตอนี้มองไปไปหาที่อื่นอย่างหลวงพ่อนั่งกี่เดือนเนี่ยมองไปหาคณะสัทยา ญ, ญาติโยมบอลนายกรนายขอนางงออะไรที่พวกเรามีหลายคนแต่ทีนี้ทําไมคนเกิดมาไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็มั่งมีสีสุขกลํารวยสวยงามขี้ไล่ขี้เละ ห, หูหนวกตาบอดเอาไว้ไงวะแปลกแตกตา่างทําไมคนเกิดมาในโลกทําไมไม่เหมือนกันทั้งที่เกิดมา เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันอันนี้พระองค์ก็ได้มองดูมองดูแต่แต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนนะไอ้พระองค์ก็มองดูมีกรรมอะไรทํำยังไงมามันถึงไม่เหมือนกันพระองค์พอมองมองย้อนไปดูแล้วเออแต่ละภพแต่ละชาติเลยไอ้บางชาติก็เนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลแต่บางชาติก็ทําความชั่วชาติเสียหายทําความไม่ดีเลยแต่บางชาติก็ทําดี แต่บางชาติเขาเถอะแต่บางชาติชาตินี้แหละแต่ทั้งทำทั้งดีทำทั้งเรวก็มีในชาตินั้นอันนี้พระองค์ก็มองดูมองดูสรรพสัตต์ทั้งหลายอันนี้ว่าจุปะปะปะปะตะูปปาตาญาณการจุติและการเกิดการการตายของสรพพสัตต์แตกแตกต่างกันอันนี้พระองค์ก็มองพอมองเดี๋ยว้วท่านก็บอกอือสัรพสัตต์ทั้งหลายคำกรรมไม่เหมือนกัน ถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองไปในทางที่ดีถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองไปในทางชั่วพระองค์จึงมองดูแล้วท่านบอกว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าท่านจึงยกเป็นคุทธภาจิตเป็นพระบาลีว่อาอกตังลุ ก, กตังเสื่ยโยปัชชาตปติทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้ว กรรมชั่วจะให้ผลจะตามสนองตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พระองค์ก็มองเห็นในในในเที่ยงคืนตอนที่ว่าจุตูปะปาตยานแต่พอจวนสว่างท่านจึงได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพจิตใจดงนี้มาจากไหนเวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไร พระ อ, องค์ก็มองดูแล้วโอ้เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องทำนำพาให้จิตใจดวงนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดนั่นแ่ะคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นแล้วก็สัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายเอานำมากันกลงไตรตรอ ง, องพระไตรของพระ อ, องค์ ทำให้ พ, พระพัดไทยใจขององค์หมดจดจากกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระองค์จิตใจของพระองค์จิตใจที่บริสุทธิ์เพราะมันมีกิเลสราคะโทสะโมหะพระองค์จึงประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะนําให้เรามาเกิดนั้นคือกิเลสเรากําจัดออกจากพระไทยใจของเราหมดแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มาเกิดอีกเป็นอนันตการเนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพ ธ, ธิญาณที่โกต้นโคนะคณะสภายาจง ล, ลูกลานแต่ทีนี้พวกเราจะนํามาปร ะ, ประพฤติปฏิบัติจับอบประเด็นไหนจึงนํามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อเองอยากจะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะหลวงพ่อเองเป็นสมณีนของครูบาอาจารย์เป็นสมณีาา น, นของหลวงปูล่ลา จากนั้นก็มาศึกษากับครูบาอาจารย์ได้หลายองค์หลวงปู่จามหลวงปู่แววนปรวัาดุกลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเนเข้าไปเกือบครบองค์นะคณะสัตยาญาติโยมนะหลวงปู่เทศก็เคยเข้าไปหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวหลวงปู่จามครูบาอาจารย์หลวงปู่จวนหลวงปู่สิงห์ทอง หลวงปู่วันหลวงพ่อได้พบเกือบทุกองคที่เป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของหลวงปู่มัน่นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองได้ฟังธรรมเทศนาของท่านบางทีถึงจะไม่ได้อยู่จำพรรษาหลวงพ่อกันเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้ก็ไปหาครูบาอาจารย์เกือบจะว่าเกือบทุกองค์เพราะนั้นเราได้ฟังธรรมเทศนาของท่านแต่ทุกองค์นั้น ท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวคนหน่งตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สุกตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้เกิดนั่นคือใจคือตัวนมามธรรมพหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพธองค์ท่านตรัสไว้ว่าในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายทําจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งอย่างที่ว่านจิตใจสงบพอจิตใจนิ่งเท่านั้นเองพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนะไม่ต้องถามใคร พอจิตใจนิ่งเท่านั้นแหละก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่ากายกับใจใจกับกายมันเป็นคนละอัานกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถมันอยู่น่ะอยู่ในอยู่ด้วยกัน อ, อ, อยู่กายกับใจมันอยู่ด้วยกันอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละแต่ พ, พุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ปรุงบาอาจารย์ท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกาย ท่านจึงยกเป็นพุทธพาสิทว่ามโนภูพังคข้ามารำมาโมเจถาม โ, โมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในจุดนี้นะศึกษาเรื่องกายกับใจใจกับกายเนี่ยนะในตัวของเราในเมื่อพวกเรานั่งสมาธิแล้วเราจะเห็นได้ชัดร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนกับรถอันที้หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนะ ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะเปรียบเทียบให้ชัดเจนอย่างหลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟัง เ, เพราะหลวงพ่อมองเห็นแล้วว่าพวกเรายุกนี้สมัยนี้ไปที่ไหนมีแต่ใช้รถนะเอแต่ว่ารถมันจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี่ก็เหมือนกันตัวผู้รู้น้รมาทำนะตัวนี้แหะมาอยู่ในร่างกายในเมื่อร่างกายแตกตายสลายสู่ดินน้ําลงไฟตายคนตาย แต่ว่าโซเฟอร์นั้นไม่ตายออกจากร่างเลยพออกจากร่างนะไปปฏิสนที่ไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าว่าโซเฟอร์คนนั้นเป็นผู้สอบแส ว, ส ว, สวงหาบุญกุศลไม่ลืมตัวเป็นผู้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลมีทานมีสิทธมีภาวนาโซเฟอร์คนนั้นก็เมื่อออกไปนะนะ่ะบุญกุศลที่สร้างไวนะนะ้น่ะเป็นกองเป็นทุน เป็นเพื่อนสองเป็นเพื่อนสองของโซเฟอร์เป็นผู้พานําไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดได้ไปเลือกเกิดได้เพราะอะไรเพราะดวงวิญญาณนั้นเป็นผู้เป็นดวงวิญญาณมีบุญแต่ถ้าวัดดวงวิญญาณมีบาปท่นี่ทำบาปไว้ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบุญไม่เชื่อคุโสนต่างหากทาดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์มันมีคนในโลก พอตายลงไปแล้วทีนี้ดวงวิญญาณทีนี้ไม่รู้จะบาปอโคศลจะต้องเขาเป็นเพื่อนสองอีกเหมือนกันพาไปเกิดเป็นหมูม้ากาไก่ช้างม้าโวไฟมันเป็นได้ทางนั้นเพราห้หตเพราะบาปอโคศลพาไปเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาน่ะ ให้ศึกษาฟังไว้แล้วฟังไว้แล้วนําไปคิดกันกลองเตยต้องให้นําไปปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างไรแต่ปฏิบัติก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพตามลาพังนั่งคัตสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือพระพุทธเจ้า แต่ทีนี้มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลงผู่มั่นที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวท่านบอกให้ภาวนาพุทธโธนะแล้วการที่จะที่จะภาวนาพุทธโธคำนี้นะ่ะพวกเราจะเริ่มต้นอย่างไรนี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคณะทศาญาติโยมมีบ้านมีเรือนมีบ้านมีเรือนแล้วก็มีห้องพระแล้วก็เราต้องหาจังหวะหาเวลา เ, เวลาเราจะนั่งสมาธินะวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ปิดไว้ก่อนเอพราะอันนั้นเป็นสิ่งรบกวนเรานะครับปิดไว้ก่อนมันจะรวยมันก็ไม่รวยเดียวนั้นหรอกมันรวยก็คงจะรวยมานานแล้วละ่ะคงจะไม่กกดไม่จนเดียวนั้นอีกเหมือนกันเอาเถอะเราจะขอเวลาจักหนึ่งชั่วโมง เ, เราจะทาเราจะภาวนาจะทาจิตใจให้สงบจะภาวนาบำเพ็ญทางด้านจิตใจ เราต้องตัดออกซะก่อนสิ่งที่มันจะรบจะรบกวนเราเออจากนั้นเราก็เข้าไปหาหมุมสงบเออไปที่ไหนก็ได้ที่ ม, ม, มุมในหมู่บ้านของเราเออถ้าจุดเล่าอยู่นั่นก่อนเข้าไปในห้องพระก็ไดเ้เข้าไปในห้องพระของแอร์รื่ห้องนอนของเราก็ได้แต่ปิดประตูแล้วก็เปิดแอร์อแล้วก็ปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ปิดหมดจากนั้นก็ไหว้พระซะก่อน ่แ ก, กราภัสโกรธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสองฆ์อยู่ทกแห่งหนน่นแอบไม่ได้แค่อยู่ทีนนะ่ เ, ى, ม, เมืองอินเดียนะอยู่ที่ใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมอยู่ที่พระสองฆ์อยู่ที่ใจของเราเราลำเลึกถึงแกราบไหวพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเราจะว่าอาระนะโมอรห Hands ังก็ได้อรหังตัมมาตพุทโธปะกวา พุทธังภาวันนั่งอภิวาเทมิข้าเปเจ้าขออภิวาสรอพุทธเจ้าขออภิวาสพระธรรมขออภิวาสพระสงฆ์จากนั้นก็นโมตัสสักข้าเปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เพียงแค่นี้ก็เพียงพอจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตากระจาเป็นนะครับนักทาญาิผมนั่งประนมมือขึ้นระหว่างหัวคใจแห่งน่งนะ พรจริงนะเราคนเนึกว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆกดวงวิญญาณทุกๆุกดวงใจเออทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเธอในใจของเรานะ <S <S คือการแผ่เมตตาเนี่ยใครเขาว่าเราไม่ถูกพยาบาทอาฆาต จ, จองเวร กับมดดำมดแดงกับดวงวิญญาณใครๆทั้งมดเราไม่โกรธเคืองให้ใครให้อภัยในช่วงนี้เราให้อภัยคือว่าแผ่เมตตาจากนั้นเราก็กราบสาครั้งกราบพุโทโธธรรมโมสัสงโฆเสร็จแล้วเราก็นั่งนะนั่งอยู่ในมุมสงบอย่างที่วานไม่ให้ไม่เห็นมีเสียงนะเสียงเยเป็นอันตรายต่อสมาธินะคณะทายาิโยยิ่งเป็นเสียงคน ถ้าเป็นเสียงโขนเสียงร้องรําทําเพลงอะไรก็ตามเป็นอันตรายต่อสมาธิน่ะถ้าเป็นเสียงท่านเห็เย่นย่นเข้าไปอีกว่าเสียงผู้หญิงเป็นอันตรายต่อสมาธิผู้ชายเสียงผู้ชายเป็นอันตรายต่อสมาธิของผู้หญิงคะท่านยังเน้นไปอีกนะพ่อแม่ผู้ว่าจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านบอกกล่าวอย่างนั้นนะจากนั้นเราก็หามุมสงบเสร็จแล้วเราก็นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้ว ให้ปนมือขึ้นระหว่างอกสะก่อนนะเวลานั่งการสมาธิเสร็จแล้วนะให้ประนมมือขึ้นระหว่างองกคนะ er นะือไห ว, ว้ครูซะกอ่อนคือไหว้พระพทุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งเราให้รู้จักวิธีการประกอบคุณงามความดีว่ารักษาศีลทานรักษาศีลภาวนานะี่แหละวิธีสอนการภาวนาวเราระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซะก่อน จากนั้นก่อนนั่งปโนเมืองพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้านะธรรมโมก็ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนีนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระสงฆ์สาวกนี่แหละที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราระลึกถึงพระคุณของท่านจากนั้นพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจะเอามือลง พอเอามือลงท่านกำหนดลมหายใจเข้าวริกรรมพดหายใจออกวริกรรมโทแต่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าที่ทุกขอ์อได้พูดตรงตนพระ พ, พุทธเจา้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนั้นคือพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู ม, มั่นท่านว่าเรากําหนดลมหายใจเข้ากออกเฉยเฉมันหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงส้นได้ง่าย ให้สำทับกับพุทธโธเข้าอีกเนออันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิ ษ, ษย์ยาลูกศิษย์พระองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเพราะฉะนั้นท่านจึงเล่นนำมาว่าเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทธแต่ไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องอย่าไปตามลม้าไปในท้องเนอะเพียงแต่วลมเข้ารู้ว่าลมเข้าลมออกรู้ว่าลมออกเท่านั้นแหะเอาสติสัมปชัญญะจับอยู่ที่ปลายจมูก อุปมาอุปไมยเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูคนที่ขึ้นขึ้นมาบนศาลาหลังนี้ให้ให้เราไปยืนเหมือนไปยืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเข้ามามาศาลาไม่ต้องตามคนเข้ามาเวลาคนออกไปก็ไม่ต้องตามคนออกไปให้ยืนว่าคนเข้าคนออกเวลาคนเข้าบริกรรมพดเวลาคนออกบริกรรมโถเพียงแค่นั้นนะอย่าไปตามลมออกไปอย่าไปตามลมเข้ามา ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเนี่ยอันนี้พวกเราให้ฟังเอาไว้นะนี่แหละวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะแต่บางทีมันเผลอพอมันเผลอมันมันหลุดยังอีกมันยังหลุดอีกให้ตั้งจิตให้ตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาใหม่ให้แข็งขึ้นมาอีกให้กัดฟันนะให้ฟันกัดฟันแม้มฟันกัดฟันนะหายใจเข้าบริกรรมพด ให้แกออกกฤติกรรมโทงแตถ้าหาว่ามันยังเผลออีกให้บพฤติกรรมพุทธโถให้ที่พุทโถพุทโธพุทโธพุทโธพุทธอถในขณะที่ความนึกคิดของเรามันที่มันหลุดออกไปที่มันหล่นออกไปน่ะเออจนนั้นแหะให้สามทัพอยู่กับกรรมฐานเอาพุทโธสมทัพกับกรรมฐานตัวนั้นนะจะให้มันเผลอเดี๋พุทโธพุทโธพุทโธพุทธโถพุทธโถนะฮะ แต่มันยังเผลออีกอยู่เอ๊ะมันเผลอออกช่วงไหนวานนี่หลวงพ่อแนะนำนะเอ๊แต่ครูบาอาจารย์สมัยหลวงพ่อเนะี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้บอกแต่มาถึงหลวงพ่อนึงพ่อขอแนะนํำถึงหลวงพ่อเห็นผลนะเออหลวงเห็นผลหลวงพ่อวัดสัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อก็เคยมาพูดที่นี่แล้วละ่ะเออแต่สัทธาญาติโยมลูกหลานบางคนเกิดไม่ใหญ่ที่หลังยังไม่เคยได้ยินนะเออหลวงพ่อจะบอกกล่าวอีกเออพวกพว ก, พวกที่ได้ยินได้ฟังแล้วกั อให้ใส่ใจเข้าไปอีกดูสิเป็นมันจริงไหมเวลาหายใจเข้าให้นับสิหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามสี่ห้าหแต่ไม่อย่าไปแต่งลมเนี่ยไปจะหายใจฟูดฟัดฟัดไปใช่นะคือหายใจตามปกติแต่นับนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสนับห้านับ6ไปเรื่อยนะเออแต่ถ้าว่ามันเผลอน ถ้ามันเผลอเลยอย่าไปนับต่อนะให้นับให้นับหนึ่งใหม่ถ้ามันเผลอย่าไปถึงสิบยี่สิบให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกอถ้ามันเผลออีกกลับมานับหนึ่งใหม่อีกอย่าไปนับต่อถ้านับต่ อ, อ, อมันจะมันจะหลงเงื่อนไปว่าเพราะมันมันมันจะบอกว่ามันมันเลื่อยเปลยไปเรื่อยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้น เ, เวลามันจะเผลอมันจะ มันจะเบลเบลเจ้าก่อนนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะ เ, เวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองยังไม่ถึง20มันเผลอแล้วก็มันเผลอากนับหนึ่งอีกเอเ้มันเผลอย่างไงคือหายใจในหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขขี้นะหายใจออกคู่ขี้คู่ขี้คู่ข้คู่ไปถึงร้อไม่เผลไปว่าใช้ได้นับทัก เครั้งสิบครั้งไม่เปล่าเออเรายัางค่อพุทธโทรถึงวางวางวางนับถึงมาพุทโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโพถ้ามันเผลออีกพยายามนับนับอีกมันเปลอในช่วงไหนมันเปลออย่างไรประกอบที่มันจะเปลอมันเป็นอย่างไงเออเราให้สังเกตนะนี่แหละอันนี้คือเวลาเรานับหนึ่งสองไปถึงร้อยน่ะไม่เผลือยปว่าเออใช่ได้ถ้ามันจะเปลอมันจะเบลเลซะก่อน พอเบอรเสร็จแล้วหายใจเข้าทั้งที่เป็นเลขขี้เนี่ยหายใจเข้าเป็นเลขคู่เออหายใจขายใจเข้าเป็นเลขแปดหายใจออกเป็นเลขเก้าเออทั้งที่หายใจสหายใจเข้าเป็นเลขเจหายใจออกเป็นเลขเลขแปดเนีเออขี่คู่คี่คู่ขี้คู่แต่พอมันเผลอขึ้นมามันคู่ขี้ได้ไงเออมันสลับกันแปลว่าใช้ไม่ได้นะเออให้พวกเราตั้งต้นใหม่อีก นี่แหละวิธีการฝึกสตินะศรัทธาญาติโยมเมื่อเราฝึกสติพยายามฝึกหลายครั้งต่อหลายหนนะจิตใจของเรามันจะมันจะเน่งนะจ๊ี่ยเออพอเราพยายามมีความตั้งใจมีความใส่ใจมุ่ง ม, มั่นมุ่งมั่นที่จะทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วจ๊นี่มันเน่งเออพอที่จิตใจรวมอันดับแรกมันจะเป็นคณิกะซะก่อนนะขณิกาคือมันจะเสียดเออมีความสุข พอเราใส่ใจเข้าไปเราไม่เผลอใจของเราจะรวมชั่วขณะหนึ่งอันนี้แหละ ว, ว่าคณิกะสมาธิเริ่มเป็นสมาธิแล้วนะถึงถ้าเรามีความใส่ใจสนใจนะอพอจิตใ จ, จรวมเป็นคณิกะสมาธิจิตใ จ, จโอ้มีความสุขจริงๆเราทําไมมันเผลอไปหรือเปล่าทําไมใจของเรามันเจ็นว้ามีความสุขจริงๆในในชั่วเพียงประเดียวประดาวอันนี้แหละ จิตใจของเราสมาธิเริ่มเกิดแล้วนะเนี่ยบอกคณิกะสมาธิแต่เราพยายามอย่าไปใส่ใจมันมันจะเป็นอะไรก็เป็น เ, เราก็พยายามดูอีกพอต่อมาจิตใจของเราจะรวมสกกเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิจิตใจของเราไม่เผลอนะตัวไหใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันทันในความรู้สึกนึกอคิดของตนเองเนึกอคิดยังไงทันตลอด ปรุงฟุงไปยังไงทันตลอดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็รู้รู้ว่ามันนึกคิดเรื่องอะไรอันนี้เรียกว่าอุปจาระจิตใจที่มันไปอยู่แต่ว่ามีสติสัมปะชัญญะควบคุม เ, เหมือนกับถ้าเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์ก็คล้ายๆก็มีเชือกล่ามล่ามไวอ้อยู่เหมือนกันแต่มันจะไม่ไปตลอดเปิดเปิด อ, อันนี้ใครบอกมีสติมีสติควบคุมอยู่อันนี้ระบอก อุปจาระสมาธิถ้าว่าจิตใจมันรวมสงบจริงๆมันจะเน่งลงไป เ, เหมือนกระตกเขวตกบ่อหรือว่มันเป็นเอกเทศของมันเองเลยมันเน่งเข้าไปสู่สความสงบจุดนั้นไปว่าร <c oughs> ่างกายของเราเนี่ยหายไปเลยนะ เ, เราอยู่ในสถานที่ใดเราไม่รู้เลยทีนีเ้เราอยู่อากัศกิจยาเราไม่รู้ มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตกับสติสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเน่งเอออันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่สูงสุดของสมาธิเพียงแค่นี้ไม่เกินกว่านี้เออจากนั้นก็เมื่อถึงกาหนดของมันบางทีก็อยู่ได้นานนะบางทีบางคนบางท่านก็อยู่ไม่ได้นานพอถอนออกมาเท่านั้นโอ้จิตใจมันมีความสุขจริง เราพูดได้เลยว่านัตติสันติปรังสุขข์ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เรารู้ได้โดยตนเองน ะ, ะการัทถาทายเจ้าถุงอันนี้คือจิตที่เป็นที่เป็นสมาธิอัปปนาสมาธิแต่เมื่อเป็นจิตประเภทอย่างนี้นะถึงจะรู้ได้โดยตนเองว่าโอ้อันนี้ความสุขในจิตที่เป็นสมาธิเป็นอย่างการ น, น, นี้เที่ยวนอนะ แต่ได้จะไปถามคนนึ่นถามพ่อการพ่อแม่ครูจารย์ครับผมภาวนาเป็นอย่างนี้หรือฉันภาวนาอย่างนี้มันจิตสงบใช่หรือเปล่าแต่ในใจของเราเนี่ยเรามั่นใจเกินร้อยนะจิตใจสงบเรารู้ได้ด้วยตนเองเลยแต่เราถามก็ถามเรียนเป็นอย่างนั้นแหละถามๆไปครับว่าจะหาคะแนานเท่าให้กับตนเองเท่านั้นเองแต่ตามพิ่จริงในใจของตัวเองรู้เต็มร้อยเลยว่าโอ้จิตสงบในช่วงนั้น มีความสุขจริงนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อนัตทิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พอมาช่วงหนึ่งพอจิตสงบแล้วจะทำยังไงต่ อ, อแต่บางคนพอนั่งเข้าไปแล้วมันหายลมก็หายร่างกายก็หายก็กลัวตายอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันมีมากอันนี้ก็หลวงพ่อเองแนะนา ผู้บายการย์ท่านแนะนําองค์หลวงตาท่านแนะนําบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเวลานั่งภาวนาลมหายร่างกายก็หายอย่าไปพิจตกังวลในความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกว่าใครเป็นรู้ว่าใครรู้ว่าลมลมหายใครว่าร่างกายมันหายเอาสติไปจดไปจับอยู่ที่ตรงที่มันรู้รู้ว่าลมหายนะนะั่นแหละไม่ต้อง ไม่ต้องวิตกกังวลเอาสติไปจับอยู่ตรงนั้นเนี่แหละมันจะรวมสกบเป็นฐานของสมาธิอีกอีกเก้าหนึ่งวันั้นไม่ต้องกลัวถ้าเรากลัวขึ้นมาแล้วก็อพอลมหายร่างกายหายก็กลับขึ้นมาอีกพอกลัวพระนัสุขก็เลยถึงแต่ขั้นนั้นไม่ไปที่ไหนพอพอหายแล้วก็กลัวแล้วก็นี่ยแหละเห็นแต่มันก็เลยยับขึ้นมาอีก มันเป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ขอบอกกล่าวให้กับคณะทายาทโยมลูกหลานและก็พร้อมกันเวลาเรานั่งภาวนาพอนั่งภาวนาไปบางคนก็เห็นนิมิตทีนี่ไปเห็นผู้ผีปีศาจเทวดาอินพรมอ่าพ่อส่งจิตออกไปข้างนอกอันนี้ก็ถือว่าโอ้ตัวเองเป็นผู้วิเศษเพราะเห็นเทวดาเห็นบุตรเทวดาเห็นเปรตเห็นผีเอออันนี้ก็ แนวแนวแถวสายหลงปู่มั่นของเราที่พ่อๆได้ไปศึกษานะเออหลงตามมหาบัวก็ดีหลงปูลาก็ดีท่านบอกว่าอย่าไปดูนะอย่าไปดูอย่าไปส่งจิตออกนอกนะเป็นบ้านนะอะไรอันนี้ก็ให้ฟังเอาไวนะ้นะคณะธรรมญาตโยมลูกหลานในเมื่อจิตไปเห็นนิมิตต่างๆไปเห็นเทวราอินพรหม อ, อ, อย่าไปส่งจิตไปตามให้ย้อนจิตเข้ามาหาพุทโธ เราภาวนาอะไรเราภาวนาพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อไปเห็นนิมิตเหล่านั้นเราจะไปตามดูให้กับมาหากรรมฐานเดิมมาหากรรมฐานพทุทโธเออหรือกำหนดลมหายใจนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเองนะเออมันหายเหมือนกับปิดทิ้งเลยล่ะเออแต่ถ้าหาว่าไปตามไปตามดูมันนะมันจะฉายม้วนนั้นหรืชฉายม้วนนี้สายโอโ้โหเอ่อ นั่งทั้งคืนไปไว่าเห็นตะม้อนหนังสายทั้งวันทั้งคืนเลยเนิมิตเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนิมิตเหล่านั้นมันได้อะไรเมื่อเราลืมตาเดินไปที่ไหนแล้วก็เห็นภูผาป่าไมา้เห็นผููคนมันได้อะไรไม่เห็นได้อะไรนี่เราเห็นนิมิตมันกัลักษณะอย่างนั้นแต่มันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปสนใจออกไปนอกนะเสียหายตัวเองอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นท่านกรมชับนะ แต่สายอื่นโดยมากลูกศิษย์ลูกหาเห็นนิมิตเนี่ยพานจะส่งเสริมอาอต้องดูไปสิไอ้ต้องดูนิมิตไอ้โดยมากจะส่งเสริมพอส่งเสริมออกไปแล้วต่อไปก็ตาแข็งทั้งไอผลที่สุดก็เป็นบ้าเป็นบอไปมีมากต่อมากที่เห็นเห็นมากเพราะฉนะนั้นเสียงเหล่านีนะ้ให้ฟังเอาไวนะะ้นะครับทา่านศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะใ น, ในเมื่อภาวนาถึงจุดนี้เราจะทํำยังไงเนะนี่แหละวันนี้หลวงพ่อจะว่าหลวงพ่อจะแนะนําเรื่องภาวนานะ แนะนำเรื่องภาวนาบางท่านบางคนก็อาจจะได้ภาวนามาแล้วแต่ไม่รู้จะเดินยังไงนี่แหละเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งผ่านความสงบมาแล้วให้เดินทางวิปัสสนานี่นี่แหละขวาออกทางวิปัสสนาเลยอันที่ว่าจิตสงบนะันคือสมัทําทจิตใจให้สงบส่วนวิปัสสนาเนี่ยนมากันกรองไตรตรองเหตุและผล นี่แหละองหลวงตามหาบัวท่านติดอยู่ในสมาธิทั้งหลายปีไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นถามไปไงมหาภาวนาหลวงตามหาบัวภาวนาจิตสงบก็ผมจะนั่งทั้งคืนก็ได้จะให้เน่งแต่ตลอดทั้งคืนตั้งแต่หัวค่ําจนยันสว่างเลยก็ได้เอเอเอมือ่อจิตสงบเป็นพื้นฐานควรจะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญานะ ให้พิจารณาเกษาผมโดมาขนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเตี้ยในกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายนะเพราะใจดวงนี้ใจของเรามันหลงร่างกายให้พิจารณาร่างกายนะแต่เน่พอหลวงตามหาบวัวท่านกินใจอยู่ในความสงบพอนำมาพิจารณาทางร่างกายมันไม่เอาเนะี่ยมันไม่สู้เลยเหมือนกระจุงหมาใส่ฝน ล, ลักษณะอย่างนั้นแหะเหมือนกับ คนอยู่ในห้องแอร์เนี่ยดึงลากออกไปไปอไปทําการทํางานอออกไปทั้งนอกมันไม่สู้มันร้อนมันทุกขเลมันสู้อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้นี้ก็เหมือนกันออท่านเคยจิตใจสงบแล้วมันก็ไม่ไม่ออกไม่ยอมออกหลวงปู่มั่นถ้าก็ถามมาเป็นยังไงหลวงตามหากรบอกมันไม่ยอมบอกครับผมมันจะอยู่ในสมาธิอย่างเดียวหลวงปู่มั่นเอ้ยเออ มันต้องบังคับให้ออกนะอย่าไปอยู่นะั้นมันไม่เกิดประโยชน์นะออสุขในสมาธนะิเหมือนกับออรถ เ, ออเนื้ออยู่ในไหลฟันนั่นเองมันมีรถหน่อยเดียวเองเ อ, อมันจะหาความสุขได้ที่ไหนมันต้องบังคับให้ออกนะนี่แหละหลวงปู่มั่นท่านบอกหลกตาจากนั้นหลงตากันบังคับให้จิตใจคิดท่านน่คิด สมาธิคือวิปัสนานคือวิปัสสนึกนะให้นึกคิดปรุงวาดมโนภาพจากพวกเราไปเห็นคนตายที่ไหนก็ตามไปเห็นกระดูกไปเห็นรูปภาพที่ไหนก็ตามเราก็นำมาเปรียบเทียบว่าร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยนะถ้าตายลงไปแล้วถ้าไม่มีใครฝังไม่มีใครเฝาใครฝังนะ ตายเกื่อนไปหมดร่างกายของเราก็จะเน่าเฟะมีแต่นอนมีแต่แมลงวันมันกัดมันใสในะร่างกายของเราเราต้องจินตนาการแบบวิปัสสนึกไปก่อนใครเข้าเอาสัญญากับสังขารปรุงคิดเจ้ก่อนแต่เมื่อเราคิดถึงที่แล้วนะ่ะมันจะเกิดปัญญาโดยอัตโนมัติมันจะว่าเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจเลย่ึมันเกิดปัญญา เออมันจะรู้แจ้งเห็นขินมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคายเห็นความจริงจริงๆแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเออแต่ที่แรกเราต้องนิดนึกสก่อดให้มันให้มันยอมรับนะนี่แหละอันนี้ก็คือการเดินทางวิปัสสนาต้องเดินลักษณะอย่างนี้นะเออแต่หลวงพ่อเองก็บอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนเออเราต้องดูสกปรดพอเสร็จแล้วเรานั่งภาวนาพอจิตใจผ่านความสงบจิตใจแม่ง พอสุขวัลเรก็ถอนออกมาถอนออกมากรรมดูกระดูกของตนเองท่นี่กระดูกเมื่อเราเห็นในโครงกระดูกนั่นเรายืนแล้วเรานั่งเราก็เห็นกระโหลกศีรษะของเราเป็นยังไงขากระไกลของเราคางของเราเป็นยังไงฟันของเราเป็นยังไงจมูกของเราเป็นยังไงตาของเราเป็นยังไงในโครงกระดูกนั่นแล้วก็กระโหลกศีรษะเป็นซี่ มันเป็นยังไงจากนั้นก็ต่อลงมาหาคอกระดูกคอของเราเป็นยังไงกระดูกปลาไหลปาระเป็นยังไงกระดูกแขนขวาเป็นยังไงกระดูกแขนข้างบนกระดูกข้อศอกกระแดกระดูกข้อที่2แล้กระดูกฝ <sh> ่าม si ือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงเป็นข้อข้อเป็นนิ้วๆอย่างไรแอดูกระดูกของตนเองจากนั้นกระดูกกระดูกข้างขวาถึงกระดูกข้างซ้ายกระดูกชี้โครงกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกานกระดูกขาข้างขวาจนถึงกระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกขวาเท้าจะนั่งมากระดูกข้างขวาอีกข้างซ้ายอีกดูให้ทั่วถึงหลายๆครั้งไม่ใช่ดูดูครั้งเดียวนะดูให้ละเอียดพอดูขึ้นมาบนศีรษะแล้วก็ลงไปข้างล่างอบคล้อข้มงข้างล่างดูขึ้นมาศีรษะแล้วก็ดูแข้งขาจุดไหนตรงไหน ดูให้ละเอียดจากนั้นเมื่อเราเห็นกระดูกกระดูกท้อนไหนที่ชัดเจนในความรู้สึกของเราให้เอาให้เราเอาสติจับอยู่จุดนั้นจับที่จุกระดูกจุดนั้นจุดที่เราเห็นชัดเจนในความรู้สึก น, ะนั่นแหละไม่ต้องขยับไปที่อื่นนี่แหละใจของเราก็จะได้รับความสงบนิ่งเข้าไปอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่นิ่งเราก็ดูร่างกายของเรากระดูกของเราจากนั้นก็มาถาม มาเนืกย้อนถามใจของเราจริงไหมที่เราพิจารณาเนะี่ยจริงไหมใจใจก็คือความตัวรู้สึกนึกคิดนะในเมื่อใจของเราผ่านความสงบแล้วใจจิตใจที่ผ่านความสงบเป็นหนึ่งมาแล้วเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิมาแล้วเออถ้าย้อนมาหาตัวโอ้จริงหมใจที่เราพิจารณานะมันจะยอมรับทันทีใช่จริงแน่นอนกระดูกของเรามีแน่ อไม่แพ้ของคนอื่นเขาเนี่แหละของเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเรามันเหมือนกันขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังเป็นกระดูกขนาดนี้แหลอแล้วฟองของขอ ง, ของคนอื่นล่ะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะ่ะอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องนําไปเผาไฟทิ้งในะร่างกายนี่นะเอะแล้วส่วนอื่นล่ะยศถาบรรดาศักดิล่ะเงินคำทรัพย์สมบัติล่ะสามีภรรยา ล, ลูกหลานล่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างศาลาลางฤีษ์ก็เถอะมันเป็นของเราไหมขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปหายึดนึกคิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเราได้ยังไงนะใจใช่ไหมยอมรับไหมนี่แหละใจของเราก็ยอมรับทีนีอ้ใช่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเร า, เร า, า, าสิ่ ง, ง, ง, ง, เ, งเราอื่นเหล่านั้น เ, ออเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกใน ช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองแต่อีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องหนีออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพราะนั้นเมื่อจิตใจพิจารณาอย่างนี้จิตใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะคณะสถานญาติโยมลูกหลานเพราะธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ของเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความเห็นของส่วนตัวยง เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดเพราะมันเกิดความเบื่อหนะ่ายจะไปยึดอะไรยึดร่างกายอีกสักวันเดือนเขาจะไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วนะไม่ว่าท่านว่าเราแล้วยศถามบรรดาศักลูกหลานพี่น้องนะเงินทําทรัพย์สมบัติละ่ะอันนั้นเราเราเมื่อพูดตามโลกสมมติเราก็ต้องพูดตามโลกสมมตินะแต่เมื่อพิจารณาธรรมะในด้านจิตใจของเราเรานั่งนิ่งภาวนาของเราี่ เราจะต้องพิจารณาให้เป็นส่วนตัวนะพิจารณาให้เกิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยอันนี้แหละหลักธรรมคำมัทธธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้แล้ ว, วท่านได้ลักกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยแล้วอ อ, ออกไปจากใจของอท่านนี่แหละท่านภาวนาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้แนะแนวบอกกล่าวเรื่องสมาธิให้กับพว ก, ล, กลูกหลานคณะสัตยายาดโยมได้ฟัง ให้ฟังเอาไว้นะจากนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติดูหลักข้อมั่นใจลักข้อพูดออกไปในหลักข้อมั่นใจเพราะได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองอีกต่างหากเพราะนั้นขอจึงได้แนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยมากท่านก็มีแต่เรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องภาวนาบ้างประหลาปยปลายนะ แต่วันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเรื่องสมัทธาทำจิตใจให้สงบอย่างไรวิธีการและก็วิปัสสนาพิจารณาอย่างไรจดทำให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นการที่ได้พูดได้กล่าวที่หลวงพ่อไดย้ยกเป็นพุทธภาษตเบื้องต้นว่าอุญญานิปรโลกัชมิงปฏิษาโหนติปานิหนังแปลว่า บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าคนมีบุญโลกนี้ก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นถุกถ้าโลกหน้าก็มีแต่ความผาสุกถ้าเราไปปันลโลกภายภากหน้าเพราะมีบุญพาไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเราได้สร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองออพาเรานาไปสู่สุขติไปเกิดพบภูมิใดบุญกุศลก็เกลอหอกุนน แต่ถ้าเราทำบาปทบาบาปอกุณศลอย่างท่านพระโมคพลาในะท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านในอดีตชาตินะมาพุกถึงพบนิชาตนิถึงท่านจะเป็นพระหรนะัน์น่เหาะเอินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้แต่ก็หนีหนีจะกรรมไม่ผลกรรมชั่วหนีไม่ผลหนีจะกรรมชั่วไม่ผลกรรมชั่วให้ผลในผลทีสุดท่านก็ไปถูกฆ่าตายไว้หลายเพราะ ก, การามตามฉนกนี่แหละ กรรมชั่วจะทาเฉลยดีกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะทําแต่บุญกุศลคิดดีทดําดีพูดดีพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็พร้อมกันขยะวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติจุดนี้หลวงพ่อจะเน้นอีกว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราเป็นอันได้จังของไม่เที่ยงในเมื่อเป็นของไม่เที่ยงแล้วพวกเราท่านทั้งหลาย ตรงอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ตนกันเนี่ยนะให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมสร้างสโลมสลาที่ว่าเสียสละขมาไม่ให้ตนเองเดือดร้อนนี่แหละประโยชน์ประโยชน์ท่านส่วนประโยชน์ตนกันเนี่ยให้รัฐไทยทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติไปเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นควรจะสั่ง ควรจะทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งเสียพวกพทธบริษัทของพระองค์ก่อนที่พระองค์ที่ขอนที่พระพุทธเจ้าจะบริณิพานในเมืองกุสิตนารานในตอนจ่วนจะสว่างเมื่อวันนั้นพระพุทธองค์สั่งภิกษุทั้งหลาย ขยะวายะรำรมาสังขาระสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงและพวกเธอท่านนั้นเกิดแก่และเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดขอให้พวกเธอท่านนั้นจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระวกก็ปิดผ้าโอดไม่พูดไม่กล่าวอะไรอีกเลยอันนี้คือหลวงพ่อเลยยกทำคำสอนของพุทธะในจุดนั้นมากล่าวตัเตือนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่ดีคิดดีทำดีพูดดีให้ทำสิ่งนั้นเมื่อคิดดีทำดีพูดดีแล้วจะมีแต่ความเจริญพาสุขในภพนี้ชาตินี้ก็เถิมีแต่ความเย็นอกเย็นใจถ้าวันเราทำสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีพวกเราจะเริดร้อนเดือดร้อนเพราะนั้นขอให้พวกเราให้ประกอบคุณงามความดีวันนี้อาตมาได้กล่าว สำมโอที่ธนิยกาถาเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนาไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกอนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสก็ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถิด